ในการนั้นมีดาบทรูปหนึ่งชื่อนารทะอยู่ที่สุวรรณคูหาในหิมมวันตประเทศให้เวลาล่วงไปด้วยสุขเกิดแต่ฌานอันสำประยุทธ์ด้วยอภิญญาห้าล่วงเจ็ดวันก็ออกจากสุขเกิดแต่ฌานเปล่งอุทานว่าโอเป็นสุขเป็นสุขอย่างยิ่งดาบทนั้นตรวจ ด, ดูสัตวโลกด้วยทิพยจักสุว่า ใครๆในพื้นชมพูทวีปสแสวงหาสุขนี้มีบ้างหรือหนอก็เห็นพระมหาชนกผู้พุทธังกูลจึงคิดว่าพระมหาชนกนั้นเป็นพระราชาออกมหาพิเนศกรมไม่สามารถจะยังมหาชนราชบริพารมีพระนางศีวลีเทวีเป็นประมุขให้กลับพระนครได้ข้าราชบริพารนั้นเพิ่งทำอันตรายแก่พระองค์ เราจักถวายโอวาทแก่พระองค์เพื่อให้ทรงสมาทานมั่นโดยยิ่งโดยประมาณจึงไปด้วยกำลังฤทธิ์สถิตยอยู่ในอากาศตรงเบื้องพระพักตร์พระราชากล่าวคาถาให้พระองค์เกิดอุตสาหะว่าความกึกก้องของประชุมชนใหญ่นี้เพื่ออะไรนั่นใครโนามากับท่านเหมือนเล่นกันอยู่ในบ้านสมณะอาตมาขอถามท่าน ประชุมชนนี้ติดตามท่านเพื่ออะไรบรรดาคาเหล่านั้นคําว่านี้เพื่ออะไรกิมเหโสความว่าความกึกก้องแห่งประชุมชนมูใหญ่มีโขลงช้างเป็นต้นนี้ในเพราะเหตุอะไรข้อ ว, ว่าใครหนอเหมือนเล่นกันอยู่ในบ้านกานุคาเมวะอีลิยาความว่า นั่นใครหนอมากับท่านเราก็ว่าเล่นกีฬากันอยู่ในบ้านคำว่านี้เพื่ออะไรกัตเทโสได้แก่มหาชนนี้เพื่ออะไรคำว่าติดตามอภิสะโตความว่ามหาชนประชุมกันแวดล้อมท่านมานารทดาบทถามดังนี้พระราชาตรัสตอบว่า ประชุมชนนี้ติดตามข้าพเจ้าผู้ละพวกเขามาในที่นี้ข้าพเจ้าผู้ล่วงเขตแดนคือกิเลสไปเพื่อถึงมโนธรรมคือยานของมุนีผู้ไม่เกื้อกูลแก่เย้าเรือนผู้ยังเจอด้วยความเพลิดเพลินทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นไปอยู่ท่านรู้อยู่จะถามทำไมบรรดาคาเหล่านั้นคําว่าข้าพเจ้ามะมังความว่า ข้าพเจ้าละชนไปซึ่งข้าพเจ้านั้นผู้ละไปคำว่าในที่นี้เอตถะความว่ามหาชนนี้ห้อมล้อมแล้วคือติดตามมาในที่นี้คำว่าผู้ล่วงเขตแดนคือกิเลสไปสีมาติ ก, กะมะนังยันตังความว่าทําไมท่านจึงถามข้าพเจ้าผู้ล่วงเขตแดนแห่งกิเลสไปคือบวช เพื่อถึงมโนธรรมกล่าวคือยานของมุนีผู้ไม่เกื้อกูลแก่เย่าเรือนข้อว่าผู้ยังเจือด้วยความเพลิดเพลินทั้งหลายไปอยู่มิตรสังนันทีหิคัดฉันตังความว่าท่านรู้หรือไม่รู้ว่าข้าพเจ้าบวชแล้วจึงถามข้าพเจ้าผู้ยังไม่ละความเพลิดเพลินเจือด้วยความเพลิดเพลินทั้งหลายซึ่งเกิดขึ้นในขณะนั้นนั้นไปอยู่ คือท่านไม่ได้ฟังข่าวบ้างหรือว่าได้ยินว่าพระมหาชนกทิ้งวิเทหรัฐบวชลำดับนั้นนารถดาบทกล่าวคาถาอีกเพื่อต้องการให้พระมหาสัตสมาฐานมั่นว่าพระองค์เพียงแต่ทรงสรีระนี้จะสำคัญว่าเราข้ามพ้นกิเลสแล้วหาได้ไหมกรรมคือกิเลสนี้จะพึงข้ามได้ด้วยเหตุเพียงเพศบรรพชิตหาได้ไม่ เพราะยังมีอันตรายอยู่มากบรรดาคําเหล่านั้นข้อว่าจะสำคัญว่าเราข้ามพ้นกิเลสแล้วหาได้ไหมมาสุตินโนอะมันยิทโถความว่าท่านทรงสรีระนี้คือครองบรรพชิตบริขารและภากาสาวะอย่าได้เข้าใจว่าเราข้ามแล้ว คือก้าวล่วงแล้วซึ่งแดนแห่งกิเลสด้วยเหตุเพียงถือเพศบรรพชิดนี้คำว่านี้จะพึงข้ามได้ด้วยเหตุเพียงเพศบรรพชิดหาได้ไม่อติระเนยมิทังความว่าขึ้นชื่อว่ากิเลสนี้ไม่ใช่จะข้ามได้ด้วยเหตุเพียงเท่านี้คำว่าเพราะยังมีอันตรายอยู่มากพระหูหิปริปันทะโยความว่า เพราะว่าอันตรายคือกิเลสของท่านที่ตั้งกั้นทางสวรรค์ยังมีอยู่มากลำดับนั้นพระมหาศัตตร์ตรัสว่าข้าพเจ้าใดปรารถนาเฉพาะซึ่งการมทั้งหลายในมนุษยโลกอันบุคคลเห็นแล้วก็หาไม่เลยในเทวโลกอันบุคคลไม่เห็นแล้วก็หาไม่อันตรายอะไรหนาจะพึงมีแก่ข้าพเจ้านั้น ซึ่งมีปกติอยู่ผู้เดียวอย่างนี้บรรดาคำเหล่านั้นข้อว่าใดอันบุคคลเห็นแล้วก็หาไม่เลยอันบุคคลไม่เห็นแล้วก็หาไม่โยเนวะทิถเถนาทิถเถความว่าข้าพเจ้าใดปรารถนาเฉพาะซึ่งกามทั้งหลายในมนุษย์โลกอันบุคคลเห็นแล้วก็หามิได้เลย ในเทวโลกอันบุคคลไม่เห็นแล้วก็หามิได้เลยอันตรายอะไรหนอจะพึงมีแก่ข้าพเจ้านั้นผู้มีปกติอยู่ผู้เดียวอย่างนี้พระมหาสัตตร์ตรัส ด, ดังนี้ลำดับนั้นนารธะดาบทเมื่อจะแสดงอันตรายทั้งหลายแก่พระมหาสัตตนั้นจึงกล่าวคาถาว่าอันตรายมากทีเดียวคือความหลับความเกียจคร้านความง่วงเหงา ความไม่ชอบใจความเมาอาหารที่ตั้งอยู่ในสรีระก็อาศัยอยู่ในสรีระนี้เองบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าความหลับนิทอได้แก่หลับอย่างลิงคำว่าความเกียจคร้านตันธิได้แก่ความเฉ่ยชาคำว่าความไม่ชอบใจอรติได้แก่ความกระสันคำว่า ความเมาอาหารพัตตะสัมมโทได้แก่ความกระวนกระวายเพราะพัตตาหารท่านอธิบายไว้ดังนี้สมณะพระองค์เป็นผู้มีพระรูปงามน่าเลื่อมใสมีผิวพันดุดทองคำเมื่อพระองค์รับสั่งว่าอาตมาและราชสมบัติออกทรงผนวดคนทั้งหลายจักถวายบิณฑบาตอันโอชาประนีตแก่พระองค์ พระองค์ทรงรับพอเต็มบาทเสวยพอควรแล้วเข้าสู่บารรณศาลาบรรทมณทีลาดไม้หลับกลนอยู่ตือนในระหว่างพลิกกลับไปกลับมาทรงเหยียดประหัดและประบาทลุกขึ้นจับราวจีวนเกียดติคร้านไม่จับไม้กวาดกวาดอาสมไม่นำน้ำดื่มมาบรรทมหลับอีกตรึกถึงกามวิตกการนั้นก็ไม่พอพระไยในบนรรพชา ความกระวนกระวายเพราะพระตาหารจะมีแก่พระองค์ด้วยประการชนิสคำว่าที่ตั้งอยู่ในสรีระอาศัยอยู่อาวสันติสรีรเัเถความว่าอันตรายเหล่านั้นมีประมาณเท่านี้ตั้งอยู่ในสรีระของท่านอาศัยอยู่คือบังเกิดในสรีระของท่านนี่แหละนารทดาบทแสดงดังนี้ ลำดับนั้นระมหาสัตว์เมื่อจะตรัสชมนารถดาบทนั้นจึงตรัสคาถาว่าข้าแต่พรามท่านผู้เจริญพัฒนสอนข้าพระเจ้าดีนักหนาข้าพระเจ้าขอถามท่านพรามนี่แหละข้าแต่ท่านผู้นิรทุกท่านเป็นใครหนอบรรดาคำเหล่านั้นคำว่าข้าแต่พรามท่านพร่นสอนพระหมามณะอนุสาสสิความว่า ข้าแต่พรามท่านพร่ำสอนข้าพเจ้าดีนักนาลำดับนั้นนารทดาบทกล่าวว่าชนทั้งหลายรู้จักอาตมาภาพโดยนามว่านารทะโดยโคตว่ากัสปะดังนี้อาตมามาในสำนักพระองค์ผู้เจริญด้วยรู้สึกว่าการสมาคมด้วยสับบรุษทั้งหลายยังประโยชน์ให้สำเร็จได้ ขอความยินดีและวิหารธรรมทั้งปวงจงเกิดแก่พระองค์กิจอันใดอย่างร่องพระองค์จงทรงบำเพ็ญกิจอันนั้นให้บริบูรณ์ด้วยความอดทนและความสงบระงับพระองค์จงทรงคลายออกเสียซึ่งความยุบลงและความฟูขึ้นจงทรงกระทรมโดยเคารพซึ่งกุศลกรรมบทวิชาและสมณธรรมแล้วบำเพ็ญพรหมจรรย์เถิด บรรดาคำเหล่านั้นคำว่ารู้จักวิธูความว่าชนทั้งหลายรู้จักอาตมภาพโดยชื่อและโคดว่ากัสปะคำว่าด้วยสัต บ, บุรุษทั้งหลายสัพพิความว่าขึ้นชื่อว่าการสมาคมกับด้วยบัณฑิตทั้งหลายเป็นการยังประโยชน์ให้สำเร็จประเหตุนั้นอาตมภาพจึงมาคำว่าความยินดี อนันโธความว่าความเพลิดเพลินคือความยินดีความชอบใจในบั ร, รพชานี้จงมีแก่ท่านนั้นอย่าเบื่อนายคำว่าวิหารธรรมวิหารโรได้แก่พรหมวิหารธรรมสี่อย่างคำว่าจงเกิดอุปวัตตะตุได้แก่จงบังเกิดคำว่าอิอัอนใด ย, ยังพร่องยะทูนังความว่า อิดด้วยศีลด้วยกสินบริกรรมด้วยฌานนั้นใดยังหย่อนพระองค์จงยังกิจนั้นให้บริบูรณ์ด้วยคุณมีศีลเป็นต้นเหล่านั้นคำว่าด้วยความอดทนและความสงบระงับขันติยาอุปสะเมนะจะความว่าท่านยามีมานะว่าเราเป็นพระราชาบวชจงเป็นผู้ประกอบด้วยอธิวาสนาขันติ และความสงบระ ง, งับกิเลสคำว่าคลายออกปะสาระยะได้แก่ยายกตนอย่าถือพระองค์คือจงละมานะคำว่าความยุบลงและความฟูขึ้นสันนัตตันจะอุนนัตตันจะความว่าจงคลายอวะมานะที่เป็นไปโดยในเป็นต้นว่าเรามีชาติตระกูลหรือและอติมานะ เป็นไปโดยในเป็นต้นว่าเราเป็นผู้สมบูรณ์ด้วยชาติคําว่ากรรมกรรมมังได้แก่ผู้สนกรรมบทสิบคาว่าวิชาวิชังได้แก่ยานที่เป็นไปในอภิญญาห้าและสมาบัติ8คําว่าธรรมธรมมังได้แก่สมณธรรมกล่าวคือกรสินบริกรรมคําว่าจงทรงธรรมโดยเคารพ และบำเพนพรหมจันท ร, ร์สักกตวาณะปริพชะความว่าจงทาโดยเคารพซึ่งคุณธรรมเหล่านั้นเป็นไปหรือจงทาโดยเคารพซึ่งคุณธรรมเหล่านี้สมาทานให้มั่นบำเพนพรหมจันท ร, ร์คือจงรักษาบัพชายาเบื่อนายนารธะดาบทนั้นถวายโอวาทพระมหาสัตว์อย่างนี้แล้วกลับไปที่อยู่ของตนทางอากาศ